ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายประสูตธ์ในวันนี้จะได้พูดถึงทูตสูตรคือประสูติ์ที่ว่าหน่วยเทวะทูตซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไวใ้ในอังคุตรนีกายประจัยปิฎกจะเป็นประสูติ์ที่ออกจะแปลกคือแสดงถึงยมโลกและการทำงานในยมโลก ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ได้ตายไปแล้วเป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นจากอัจยริสัยของพระองค์เองคือมีพระสงฆ์มีพระประสงจะแสดงแล้วก็รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาพระองค์กษัตริย์เล่าว่าเมื่อบุคคลตายไปได้เข้าไปสู่สำนักของพระยาโยมพระยาโยมก็จะสอบถามว่า ในขณะที่เธอมีชีวิตยอยู่ในโลกนั้นเธอเคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งบ้างไหมสัตว์นั้นก็จะบอกว่าไม่เคยเห็นไม่รู้จักท่านก็จะให้สติตักเตือนว่าเคยเห็นคนแก่ที่มีอายุแป90กรยที่มีร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเ พ, เพราะแกงงอมเคยเห็นบ้างหรือไม่ ท่านก็บอกว่าเคยเห็นเป็นนั้นมากแล้วถามว่าเห็นแล้วคิดยังไงเธก็บอกไม่ได้คิดยังไงเพราะในขณะนั้นกาลังมัวเมาประมาทอยู่พยายมท่านก็จะบอกว่าเมื่อเห็นคนแก่เช่นนั้นเธอน่าจะคิดน้อมนึกกังมหาตนเพราะแม้เราก็จะมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ลุงพ้คนความแก่ไปได้ แต่เธอก็ ก, กลับมัวเมาประมาทเสียการบาปรกรรมเหล่านี้มัรดาบิดาก็ไม่ใช่เป็นผู้ทำให้ญาติมิตรก็ไม่จะได้ทำให้ท่านหรือบุคคลเราอื่นก็ไม่มีใครทำให้ท่านแต่ท่านก็ทำด้วยตัวของท่านเองแต่พญายมก็จะอาศัยเมตตาอนุเคราะห์กรถามในตอนต่อไปว่าเมื่อเตอไม่เห็นเทวทูตที่หนึ่งเคยเห็นเทวทูตที่บ้างไหม คนนั้นก็ตอบว่าไม่เคยเห็นแต่ก็เตือนสติว่าเธอเคยเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่ประสบความทุกข์ทรมานร่างกายแปดเปื้อนด้วยสิ่งที่สโปรกประสบความเสียดแทงแลวความ ร, าร่ารรอนแห่งโรคภัยไข้เจ็บบ้างใหม่ท่านก็บอกไว้เห็นเห็นแล้วคิดยังไงก็ไม่ได้คิดยังไง พญโยมท่านก็บอกว่าเมื่อเธอเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นคุณจะคิดน้อมนึกขบมหาตนว่าแม้เราเองก็จะมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาใน่่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แต่เธอก็กลับบวมองประมาเทเสียบาประกรรมเหล่านี้คนอื่นอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ไม่มีใครทําให้แต่ว่าเป็นเรื่องที่เธอทำเอาเองต่อจากนั้นก็จะเตือนให้สติว่าเธอเคยเห็นเทวทูตที่สามบ้างไหม ถึงท่านผู้นั้นก็จะตอบว่าไม่เคยเห็นอีกเช่นกันแล้วพญายมก็จะถามว่าเธอเคยเห็นคนตาย <c oughs> ที่ศพทิ้งไว้สองวันสามวันตลอดถึงมีกลิ่นเหม็นมีน้ำเหลืองไหลมีตัวหนอนกัดกินอยู่ภายในบ้างไหมแกก็บอกว่าเคยเห็นแล้วเคยเห็นมาแล้วเป็นนันมากถามว่าเมื่อเห็นแล้วคิดยังไงแกก็บอกไม่ได้คิดยังไง อย่ายมท่านก็ให้สติว่าที่จริงเมื่อเห็นเช่นนั้นเธอก็ควรจะสํานึกว่าแม้เราก็จะมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แต่เธอก็ไม่ยอมคิดเลยวันบาปกรรมเหล่านี้ไม่จะเป็นเรื่องที่คนอื่นมีมารดาปิดาเป็นต้นสร้างให้แต่ว่าเป็นเรื่องที่เธอได้กระทําด้วยตัวของเธอเองและพระบุมีพระภาคเจ้ากระรับสั่งถึงลักษณะของโยมโลกว่ามี ความเล่าร้อนมีทุกทรมานสาัตว์ทั้งหลายที่บังเกิดในที่นั้นก็ต้องพะจริกับกรรมกรด้วยประการต่างๆคือกา ร, กรถูกถกระทํากรรมด้วยประการต่างๆดูแล้วน่าจะตายแต่ก็ไม่ตายประสาใดที่กรรมยังไม่หมดสิน้นสัตว์เหล่านั้นก็จะไม่ตายจากไปและในที่สุดก็ในแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายทราบว่า เรื่องนี้ตถาคตไม่ได้สดับสับฟังมาจากสมณพราหมณ์เหล่าอื่นแต่เป็นเรื่องที่ตถาคตรู้เห็นด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งโดยตนเองแล้วนํามาบอกกล่าวชี้แจงแสดงแก่เธอทั้งหลายแล้วในที่สุดก็สรุปว่าบุคคลที่มองเห็นภัยในชีวิตซึ่งจะจบลงที่ความตายมีความตายเป็นเบื้องหน้า ก็ไม่ควรจะดำรงอยู่ชีวิตอยู่ด้วยความประมาทควรบำเพ็ญบุญกุศลที่นำผลคือความสุขมาให้ทั้งในวกนี้แล้วก็พวกหน้าในขณะเดียวกันพระสูตรก็ต่อตอกันในแนวนี้อยู่หลายสูตรด้วยกันเป็นการเน้นในระดับต่างๆเอาไว้แล้วก็ภาษตก็คล้ายๆกันวนสัทั้งหลายนั้นมีความตายเป็นที่สุด แห่งชีวิตในแต่ละชาติเพราะฉเมื่อบุคคลชีวิตของบุคคลจึงเปรียบเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้ใครสามารถขนอะไรออกมาได้จากเรือนที่กําลังถูกไฟไหม้สิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นสมบัติติดตัวเข้าไปได้แต่ว่าสิ่งที่ขนออกมาไม่ได้นั้นก็จะถูกเผาไหม้ไปในไฟ เช่ใดก็ดีบุคคลที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเช่นั้นในแต่ละภพแต่ละชาติเขาสามารถทําอะไรนําอะไรติดตัวเข้าไปได้สิ่งนั้นก็เป็นของเขาโดยแท้แต่สิ่งที่เขานาไปไม่ได้สิ่งนั้นก็จะถูกเขาให้พินาศไปแล้วก็ได้เน้นถึงสิ่งที่เขากระทําเขาควรจะนําไปตามสมควรแก่อัตยาสัยของผู้ปฏิบัติ บางประสูตรก็เน้นไปที่ทานบางประสูตรก็เน้นไปที่จากฆะความเสียสละบางประสูตรก็เน้นไปที่การสํารวมระวังบางประสูตรก็เน้นไปที่ศีลบางประสูตรก็เน้นไปที่การปฏิบัติธรรมแต่บางประสูตรที่คนฟังมีวาสนาบารมีมากพอก็จะเน้นไปถึงการทําลายกรรมแห่งส <means. S 2> ังสารและจักรเพื่อหลุดพ้นจากนรกที่แท้จริงหลุดพ้นจากสังสารวัฏที่แท้จริงก็บบรรลุจุดสูงสดุด เอกประสงคก็มาเกาะกลุ่มอยู่เป็นนั้นมากก็ในเรื่องทำนองเดียวกันคล้ายๆกันพระอาจารย์าจารย์ได้อธิบายเรื่องนี้ไว้เป็นที่ที่น่าศึกษาหลายเรื่องคือตามปกติเราก็ไม่ค่อยจะพบในที่อื่นแต่ในที่นี้แสดงไว้ทุกขั้นตอนทุกเรื่องคือคล้ายๆกั น, นําเที่ยวนรกไปในตัวท่าน บอกว่าพระยาโยมนั้นพูดถึงครั้งแรกพูดถึงนายในเรยบาลว่านายในเรยบาลนั้นแท้ที่จริงแล้วก็ไม่มีแต่เพราะวากรรมคือสิ่งที่สัตว์ได้กระทาเอาไว้กรรมนั่นเองเป็นตัวสร้างนายในิรยบาลขึ้นมาให้มีหน้าที่ลงทันลงโทษแก่สัตว์ที่ตกไปในนรก แต่ในขณะเดียวกันในตกระถาทางอริธรรมท่านก็แก้ว่านานิยบาลนั้นก็มีแต่ก็ยอมรับว่าเกิดขึ้นเพราะกรรมของบุคคลเหล่านั้นซึ่งถ้าเรามองในโลกมนุษย์มันก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้ามองให้ชัดว่าเราจะเห็นว่าคุกบางอย่างนั้นมันเกิดขึ้นเพราะกรรมของคนอย่างสมัยจอมพลสฤษดิ์ก็เกิดคุกไรดยาวขึ้น เพราะมีการกระทําบางอย่างที่ไม่อยู่ในฐานะจะขังที่เราโทษหรือมหันต์โทษได้นั่นก็คือมีการกระทําเป็นอันตรพาณรัชก็ต้องสร้างราชยาวขึ้นมาต่อมาก็มีเรื่องสิ่งเสพติดให้โทษพวกเหล่านี้ไม่ถึงก็จะต้องเอาไปขังราชยาวเราไม่ใช่อันตรพาณอะไรเป็นเรื่องของคนป่วยที่จะต้องบำบัดแต่จะอยู่ข้างนอกมันก็เป็นอันตราย รัฐก็ต้องสร้างทันมาตานบําบัดพิเศษขึ้นในส่วนต่างๆต่อมาก็มีปัญหาเรื่องเยาวชนในวัยต่างๆซึ่งอ่อนด้อยด้วยปัญญาปัญหาต่างๆทั้งปัญหาส่วนตัวแกปัญหาครอบครัวปัญหาทางสังคมเป็นต้นแกก็ทําผิดไปแต่รัฐก็ไม่ถือว่าแกเป็นหนาดยาก่อนอะไรแต่ในขณะเดียวกันแกก็ไม่จะติดยาเสพติดแล้วก็ไม่เป็นอันตรภาคแต่ไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหน ก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่อีกแข่งหนึ่งเมื่อก่อนก็สร้างบ้านเมตตาขึ้นมาสร้างแล้วก็ไม่พอสร้างบ้านกรุณาขึ้นมาสร้างบ้านมุทิตาขึ้นมาสร้างบ้านอุเบกขาขึ้นมาต่อมาก็มีคนทําดีๆอะไรเพิ่มขึ้นมันก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะติดคุกแต่ก็ไม่ควรจะอยู่ร่วมกับชาวบ้านเขาควรจะเป็นพิษเป็นภยัยรัฐก็สร้างฐานสถานเปิดในส่วนต่างๆขึ้นมาเช่นฐานฐานเปิดพ้วยโป่งที่ระยองเป็นต้นจะ ด, ดูแล้ว ก็จะพบว่ากรรมที่จำแนกกรรมที่บุคคลกระทำนั่นเองจำแนกคนไม่จำแนกคนก็จำแนกโทษจำแนกโทษก็ต้องจำแนกที่จำแนกที่ก็ต้องสร้างคนขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในสถานที่นั้นๆดูแล้วก็เป็นกฎชี่เรามองตัวอย่างเรื่องราวในโลกของมนุษย์ได้อปรรการต่อไปเรื่องของเทวทูตเรื่องของการมองเทวทูตอย่างที่เคยเล่าให้ฟังมาคราวหนึ่งวันก่อนนั้นเล่าในอัตกถามาลาย มาลายนั้นท่านได้เพิ่มขึ้นอีกสองทูตคือเด็กอ่อนกับนักโทษแต่วันในที่นี้ก็พูดเฉพาะสมข้อที่เป็นนพินหาปัจจเวคคณะเด็กอ่อนกับนักโทษนั้นก็อยู่ในคำมภีร์พระมาลัยเทวเถนอย่างที่ออกจะแพร่หลายในบ้านในเมืองคือหมายความว่าพวกนี้เป็นพวกกลุ่มของปริญญาตประธรรม เป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้เอาไว้ทุกครั้งที่บุคคลพบเห็นสิ่งเหล่านี้อย่าให้ถึงกับแสดงรังเกียจเป็นอย่างน้อยนะเพราะถ้าแสดงอาการรังเกียจคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วแล้ก็แสดงถึงความมืดบอดในด้านสติปัญญามากเกินไปถ้าไม่มีอะไรก็ทําใจวางเฉยยังดีกว่าที่จะไปแสดงการรังเกียจ แต่ก็ไม่เข้าขั้นที่จะผ่านด่านนรกเพระด่านนรกนั้นจะต้องมองเห็นจือจะ ต, ต้องพิจารณาเห็นในลักษณะน้อมนึกเข้ามาหาทุกอย่างเป็นการเรียนจากภายนอกจริงแต่น้อมนึกเข้ามาหาตนนี่ก็คือหลักสูตร ใ, ใหญ่ๆในพระพุทธศาสนาตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาทีเดียวคือวิธีการของพระพุทธศาสนานั้นเรียนโลกรู้โลกแล้วก็กลับมารู้เราเรียนเรารู้เราแล้วก็ไปรู้โลก แต่การเรียนเรารู้เราไปรู้โลกนั้นก็เพื่อช่วยโลกไม่ใช่เพื่อหาประโยชน์จากโลกเรียนโลกรู้โลกก็เพื่อมารู้เรามาเข้าใจเราแล้วก็พัฒนาตัวเราขึ้นไปวันเรื่องเทวทูตคนแก่คนเจ็บคนตายนั้นเป็นเทวทูตหลักที่พระโพธิสัตว์เห็นก่อนออกบวชก็เป็นเทวทูตเหล่านี้แต่ว่าพระโพธิสัตว์ท่านมองกว้างมองลึกมองเป็นกระบวนเป็นแถวไปเลย กลายเป็นวงจรเป็นทั้งสารวัตรที่หมุนบนเกิดแก่ตายไอ้เงื่อนไขแล้วในประสูตรนี้ไม่ได้บ่งชัดขนาดนั้นคือไม่กว้างไกลขนาดนั้นเอาแต่ว่าให้มีจิตสํานึกน้อมนึกกรมหาตัวเองน้อมนึกยังไงก็น้อมนึกอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอเพราะปาริญญาตประธาน ม, มันพูดอย่างนี้ทุกเทีอะเอวังธรมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตคือสภาวะเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้ มีสภาวะเป็นอย่างนี้ไม่พ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เราเองก็จะเป็นอย่างนี้เราก็มีสภาวะเป็นอย่างนี้เราก็ไม่พ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้แล้วก็อาจจะมองกระจายไปที่ ท, ที่คนอื่นซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าปริญญาตปรธรรมกลุ่มนี้เมื่อกาหนดรู้แล้วก็อให้เกิดการละและการบำเพ็ญซึ่งเป็นส่วนของทุกขสมุทัยศาสตร์และก็ส่วนของมรรคศาต์การละอะไรอย่างน้อยก็ละความรังเกียจ ละความประมาทมววเมาในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคของตนในการบําเพ็ญนั้นอย่างน้อยก็น้อมนึกเข้ามาโดยนัยยะที่กล่าวแล้วและในขณะเดียวกันก็รีบเร่งฉกชวยโอกาสในเมื่ออวัยวะมือเท้าวความเพียรพยายามกําลังศรัทธากําลังความเพียรก็ตนยังมีอยู่รีบเร่งสร้างบุญกุศลเพราะว่าเมื่อถึงชุดหนึ่งแล้วบางทีมันก็เอาอะไรไม่ได้อย่างที่ท่านมหาปาระท่านกล่าวว่า หัตถปาดาอนัสวาคือเมื่อมือเท้าเราบังคับบัญชาเองยังไม่ได้และจะไปประพฤติพรตพรหมจารย์บำเพ็ญความดีให้บริสุทธิ์หมดจดได้อย่างไงเพราะงั้นการรีบเร่งขวนขวายกระทำเสียจึงแสดงความเป็นผู้ตื่นต่อโลกต่อชีวิตและแสดงความเป็นพุทธะตามหลักของพระพุทธศาสนาก็ทำให้บุคคลเหล่านั้นผ่านการเวลาไป ยังเพิ่มปูนสาระแก่นสารให้แก่ชีวิตของตนพอมาถึงชั้นหนึ่งพวกนี้ก็กลายเป็นพวกกรรมฐานหรือนท่านทั้งหลายจะเห็นว่าก็เป็นระดับของกรรมฐานแต่ในส่วนของสมถะกรรมฐานเช่นมรณสติก็เป็นพวกของอนุสติเรื่อการเก็บ่ายได้ป่วยก็การพิจารณาถึงทุกข์ในรูปแบบต่างๆเป็นทุกขสัญญา เป็นในพวกสัญญาสิบก็เป็นทุกข์สัญญาคือมองให้เห็นถึงความทุกข์ในความแก่เท่าก็มองถึงอนิจจสัญญาคือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันก็ขึ้นไปเรื่อยจนถึงวิปัสนาและแม้แต่เรามองถึงจุดสุดยอดนะฮะจุดสุดยอดเอาจริงๆเข้าเราจะเห็นว่าความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นจาก เห็นใรักในกรณีที่เราเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่ท่านเรียกว่าเป็นอนิมิตตวิโมกคือจิตหลุดพ้นเพราะเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั้นก็ดูจากจุดจากจุดของแก่ดูจุดของความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าอปนิหิตะวิโมกคือหลุดพ้นเพราะมองเห็นทุกข์กสตย์เพราะร่างกายมันย่อยออกไปตายสองวันสามวันสีวันจนถึงอย่างในป่าช้าก้านะฮะที่เรียนในมหาสติปัฏฐานสูตรม right. า ก็มองเห็นถึงความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราก็มองเห็นในแนวของอนัตตาก็กลายเป็นสุญญตะวิโมกข์คือจิตหลุดพ้นด้วยการแยกย่อยความเป็นคนเป็นสัตว์ความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาออกไปได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเดิมหน้าตันหาอุปาทานในสัตว์และสังขารทั้งปวงเรื่องนี้เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยคือจากเริ่มต้นในจุดชีวิต ที่จะทำให้บุคคลดํารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคนั่นคือการเรียนของธรรมทูตเรื่องของเทวทูตชั้นที่2ต่อไปก็ทําให้บุคคลรีบเร่งขวขวายกระทําบุญกุศลใ น, น, น, นชั้นศีลธรรมจัญญาเช่นจงสแสดงไว้ว่าเมื่อกุศลและเจตนาบางเกิดขึ้นปรารถนาที่จะทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งให้บุคคลรีบเร่งกระทําเสียในขณะนั้น น, นพราพอจะปล่อยเนิร์ดนานไปบางทีศรัทธามันก็เปลี่ยน โควคาเปลี่ยนทางทีวัยก็เปลี่ยนดันนนชีวิตก็ถูกตัดด้วยมัดจุเป็นต้นในสุดเราก็ทำไม่ได้แต่ความดีที่ทรงมุ่งหมายนั้นคือความดีในชั้นใดก็ตามที่บุคคลมีศรัทธาขึ้นและต้องการจะทำก็ต้องรีบเร่งกระทำในขณะนั้น น, นแล้วก็กลายเป็นปร ะ, ะมัรับประโยชน์อย่างที่กล่าวมาก็คือว่าจะมีการสอบถามในสานักของพยาลมดังที่ในประสูน์แสดงไว เรื่องนี้เป็นเรื่องของพุทธญาณนะครพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อ้างใครแต่อ้างพระญานของพระองค์ว่าทรงประสบพบเห็นทรงรู้เห็นเรื่องนี้ด้วยพระองค์เองแล้วก็นํามาเปิดเผยชี้แจงแสดงให้ทราบเอาไว้ไม่ได้ศึกษาสอบถามหรือได้ยินได้ฟังใครเขาเล่าเขาบอกม า, าเป็นเรื่องประจักษ์ด้วยพระญานเราไม่มีพระญาณเช่นนั้นมันก็พูดกันไปได้แต่คนที่มีพระญานมีญาณอย่างพระพุทธเจา้าพระหานทั้งหลายท่านก็พบเห็นอย่างที่ท่านพบเห็นแล้วก็ยุติลงกันสงกัน เประการต่อไปก็คือเป็นประตูเป็นบันไดที่นําคนเข้าสู่มรรคผลนิพพานเริ่มแต่ที่พระพุทธสัตว์เรามองแต่ปัญหาใหญ่มันก็อยู่ตรงนี้เลยอยู่ที่ว่า แ, แม้จะมองจะคิดจะพิจารณากันยังไงยังไงก็ตามอย่างที่ทรงแสดงว่าเป็นอภินิหปัจจุเวกเคยคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเอาก็จริงแล้วมันไม่เคยเห็นสักทีหนึ่ง เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความแก่ไปได้มีความเจ็บไขยเป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความเจ็บไายไปได้มีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความตายไปได้แล้วก็จริงคนก็เดือดร้อนอยู่ต่อกระสามเรื่องเนี้ยเดือดร้อนเนงด้วยความแก่ก็พยายามที่จะต้านทานประทะประทางความแก่บางทีก็เดือดร้อนด้วยความเจ็บึ่งบางทีก็เจ็บในส่วนกายก็พอทำนาเอาใจบวกเข้าไปด้วยก็อาการโรคภัยก็เลยเป็นทับทวีขึ้นมา เดือดร้อนเพระความพลาดจากความตายตงสงศกเท่าเจเสียใจกันโดวยวิธีการต่งตางๆนี่ก็เป็นภาพปกติธรรมดาคือน่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้แต่ก็จริงแล้วกลับเป็นตัวทําลายประโยชน์ไปหมดเลยเวลาโอกาสที่ผ่านไปจึงเป็นเวลาโอกาสที่น่าเสียดายและเสียใจสำหรับบุคคลเหล่านั้นอ่าประการต่อไปนั้นท่านยังได้แสดงถึงฐานะของ คนที่ว่าตายไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกสอบถามหมดทุกคนหรอกถ้าคนที่มีกุศลและกรรมมั่นคงอันนี้ก็ต้องต้องไปมองในใ น, ในเรื่องของกรรมอีกทีหนึ่งฮะว่ามีกุศลกรรมที่มั่นคงแน่นอนเนี่ยก็ผ่านไปเลยเชนว่าบาปรกรรมปรากฏชัดเจนก็ตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ดิบชานไปเลยต้องไม่ผ่านด่านนี้แล้วคนที่มีบุญกุศลแน่นอน ก็ไม่ผ่านด่านนี้เหมือนกันคือไปบังเกิดในสุกติอย่างพวกก็เลยขรุกกรรมที่เป็นกุศลโปรธิบรรู้รูปปัจจานไปต้นไปนั้นก็ไม่ผ่านอะไรไม่ต้องมีใครมาซักถามอะไรเพราะว่ากรรมมีแรงกำลังมากพอที่จะตัดสินได้คนบางพวกคือว่ามันลักษณะกัมกึงอะฮะคือจะตัดสินปล่อยก็ได้จะตัดสินติดคุกก็ได้แต่ในตองนั้น่ะเลยก็ต้องต้องไปในที่นี้ แล้วก็ท่านเล่าถึงว่าบุคคลบางคนแม้ไปในที่นี้ก็ยังไม่ได้เข้าข่ายพิพนิจพิจารณาอะไรกรรมมาตัดตรงนั้นเองอันนี้เราก็ต้องมองในแนวกรรมสี่นะฮะกิดชนกกรรมกรรมที่ส่งให้เกิดแล้วก็มีอุปธรรมประกรรมซึ่งเป็นกรรมประเภทเดียวกันกับชนกกรรมก็มาสนับสนุนตรกรรมนี้มาแล้วถ้าท่านไปอยู่ในสถานะอย่างนั้นมันก็ออกจะแย่หน่อยแต่บางก็มีเขาเรียกว่าอุปคาตรกรรมที่ข้ามาตัด มันเฉียดๆนรกก็จะตกนรกอยู่แล้วก็อุปาคาตกรรมเข้ามาตัดคือกุศลเข้ามาแซงทันก็ช่วยกลับไปได้เลยท่านก็ยกตัวอย่างบุคคลไว้เยอะ เ, อเช่นว่าบุคคลคนหนึ่งซึ่งเคยช่วยเหลือทําความดีนะทำความดีด้วยการในการถวายผ้าแดงนะผ้าแดงเป็นธงบูชาเจดีย์แต่นั้นเองเป็นธงบูชาเจดียนะ์ พอไปเห็นเปลวเพลิงนรกแทนที่ท่านจะคิดถึงไฟท่านคิดถึงสีทงของท่านสีทงกองท่านสีทงนั้นก็มากลายเป็นอุปคาตกรรมคือใจเป็นเหนียวโอกุศลก็สร้างพบใหม่เราไปบังเกิดในสุกติและบางคนก็ได้ประสบได้เห็นทุกข์ทรมานก็นึกถึงการที่ตนเองได้ช่วยคนอื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานแสดงวาใจเนียวกุศลไปได้ก่อนแล้ว เราก็ไปได้เลยเกิดไปบังเกิดในสุคติได้เลยแต่บางครั้งพระยาโยมท่านก็ใจดีก็ท่านเล่าถึงว่าบุคคลคนหนึ่งเนี่ยก็ไปสู่สำนักพระยาโยมเหมือนกันแกก็นึกไม่ออกถามอะไรแกก็ตอบไม่ได้แต่พยาโยมท่านก็เคยจําได้ว่าคนนี้ทําบุญกุศลแล้วเคยอุทิศมาให้ท่านคืิอุทิศกุศลถึงท่านด้วยท่านรับรู้ นั่นก็ถามว่าเออเมื่อคราวนั้นเธอเคยทําบุญอย่างนั้นแล้วเคยอุทิศกุศลให้แก่เราใช่ไหมอันนี้ก็นึกได้นึกได้แกก็เล่าได้ตลอดเลยไอ้บุญกุศลเหล่านั้นก็หักภพชาติก็ทําให้ท่านหลุดพ้นจากบาปกรรมที่ต้องสวยในในนรก <c oughs> คนบางคนนั้นเหนียวนึกด้วยตนเองบางคนก็เหนียวนึกด้วยบุคคลอื่นอย่างหนังสือที่มีอิทธิพลในสังคมไทยอย่างหนึ่งคือเรื่องสุบินกุมารที่ทําให้ พ่อแม่คือฝังจิตฝังใจโดยเฉพาะแม่นะฮะคือไม่ค่อยได้บวชแล้วมักจะขอร้องให้ลูกบวชเนี่ยอ่าคือเรื่องของสุบินกุมารที่ท่านเล่าทั้งว่าพ่อเป็นนายพรานแล้วก็มีอาชีพในการล่าสัตว์แม่ก็มีส่วนสมรู้กับสามีด้วยคือปัญญาก็มีส่วนสมรู้กับสามีด้วยแต่ลูกชายนั้นกัตยาใสาก็ผิดพ่อผิดแม่พอพ่ อ, พอตายลูกชายบวชอุติศ ตรวจน้ําอุทิศกุศลไปให้พ่อพ่อก็หลุดพ้นจากนรกแต่แม่นั้นบาปกรรมที่ทําเอาไว้ก็ทําให้เห็นเปลวไฟในนรกแต่แกก็เห็นแล้วแกเห็นเป็นสีจีวรลูกแกนึกถึงจีวรของลูกขึ้นมาก็ไฟนรกก็ทำอะไรแกไม่ได้แล้วเมื่อสอบถามก็แกก็บอกว่าแกเห็นในนี่ยมันเหมือนกับจีวรของลูกชายก็ด้วยอานิสงส์ของการบวชที่ลูกชายได้บวช เราทำให้แม่รอดพ้นจากนารกอันนี้ก็คือตอ้นเหตุสํานวนที่เราพูดกันว่าบวชโปรดข่อโปรดแม่คือเป็นการโปรดให้หลุดพ้นมาจากนารกจริงๆในเรื่องสุบินกุมารก็เป็นวรรณคดีที่มีอิทธิพลอยู่มากมีทั้งคําร้อยแก้ร้อยกรองก็แพร่หลายในบ้านในเมืองแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกเขาไม่ค่อยอ่านอะไรกันเท่าไหรนะ่นักจึงไม่ค่อยรู้กันอยู่ในสมุดเรียกบุตร ด, ดาโบราณนะคร หนังสือบุตดดำหนังสือเขียนด้วยรงไตรโบราณก็มีแพร่หลายมากแต่ก็อยู่ในห้องสมุดไปหมดอะอก็เรื่องเหล่านี้ถ้าเรามามองในส่วนอื่นๆที่ท่านในแสดงเอาไว้โดยเฉพาะในในบ้านในเมืองเราที่คนซึ่งตายไปแล้วก็ไปพะเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นมันก็สอดคล้องกันสอดคล้องกันไม่ว่า คนนั้นจะเป็นคนจีนหรือว่าคนนับถือศาสนาอื่นหรือว่าหนังสือโลกเขาเรียกอะไรโลกทิพย์นะฮะแต่ไม่ใช่นิจเตสานโลกทิพย์นะโลกทิพย์ที่อดีตบาดหลวงแกก่อนที่แกจะตายนั้นแกเคยเขียนเรื่องโลกหน้าเอาไว้ตามความเชื่อถือในศาสนาคริสต์แต่พอตายไปแล้วก็เกิดไปพบเห็นว่าไอ้โลกหน้าที่พูดไว้ทั้งหมดมันผิดหมดเลยก็กลัวบาดประกรรมว่าจะเป็นการหลอกลวงชาวบ้าน ก็ในฐานะที่เป็นเทพก็มีกำลังอำนาจก็ไม่ถึงก็มาเขียนเองแต่ก็บันดาลให้คือคล้ายๆก็สะกดจิตให้เพื่อนบาทหลวงอีกคนหนึ่งเป็นคนเขียนเเมื่อเขียนออกมาแล้วมันก็เล่าในลักษณะนี้เหมือนกันที่ที่น่าคิดก็คือว่าทั้งเล่มก็ตรงกับหลักในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเล่มแรกเล่มที่สองนั้นเป็นการเล่าเล่ารายละเอียดคล้ายๆกับไปทัศนาจรแล้วก็เล่ารายละเอียด ซึ่งพระพุทธศาสนาไม่ค่อยแสดงรายละเอียดในลักษณะนั้นเอาไว้เนื่องจากมักจะพูดเฉพาะตัวกรรมที่เป็นเหตุนําไปสู่สุคติหรือทุคติเท่านั้นเองรายละเอียดก็บอกบอกหยับหยาบว่าเป็นผลละความมันก็ซ้ําๆอย่างที่เคยอธิบายเรื่องวิมานวัตถุเปตะวัตถุเอาไว้มันก็ซ้ําๆใกล้ๆกันทีนี้ฐานะของพยาลมพยายมนั้นเป็ น, เ ป, นเป็นอะไร เฉพาะในที่นี้ท่านบอกว่าเป็นเวมานิกเปรตเวมานิกาเปรตนั่นคือเปรตประเภทที่อยู่วิมานแอ้ช่วงหนึ่งบุญคือลักษณะบุญกุศลมันบุญกระบาบมันกั้มกึ่งกันยังไงะคือช่วงหนึ่งท่านจะต้องมาทาหน้าที่อยู่ในนรกแต่ว่าช่วงหนึ่งท่านก็อยู่วิมานเป็นเหมือนกับเทพที่บุตรเทพบุะรเทพทิดามีสมบัติพัฒฐาแบบเทพแต่ว่าช่วงหนึ่งก็ต้องมาทางานเหล่านี้ แล้วท่านยังให้รายละเอียดเอาไว้ว่าอายุในส่วนต่างๆถึงคือแห่งและสี่องค์ไม่ใช่คือคือแห่งและสี่องค์สี่ทิศก็อยู่อยู่รอบทิศไม่ใช่ว่ามีองค์ใดองค์หนึ่งทีนี้ปัญหาว่าในานิรันาลที่เขาถือว่ามีอยู่จริงๆเนี่ยคืออาตมกถาพิธรรมบอกว่ามีจริงๆแล้วก็เป็นตัวตนเป็นบุคคลจริงๆว่า ทำบาปทำกรรมอะไรไว้จึงไปเกิดในสถานที่นั้นเออท่านก็เล่าว่าท่านเหล่านี้เกิดจากวิหิงสาคือพวกมันในอารมณ์จากความทุกข์ของคนอื่นะฮะชอบดูความรุนแรงอาการสาดิษทางอารมณ์นี่ก็พูดชอบความรุนแรงชอบดูความรุนแรงต่างๆชอบดูเขาต่อยกันชอบดูเขาข้าวฟันกันชอบดูไฟไหม้ก็อชอบอย่างนั้นนะชอบความรุนแรงทั้งหลายเนี่ยแต่มีเรื่องอะไรรุนแรงแล้วก็ชอบ ชอบถ้าอ่านหนังสือก็ต้องฟันเลือดโชคหนังก็ต้องฟันแทงทะลุอะไรหนังสงครามอะไรเนี่ยคือมันมันก็ชอบความรุนแรงเป็นการเก็บการสะสมหมักหมมเอาไว้ภายในจิตสันดานไปอยู่ในที่ใดก็ชอบดูความรุนแรงเหล่านั้นอยู่เสมอแต่เรื่องเรียบเรียบเรื่องธรรมโอธรรมะอะไร อ, อะไรก็ไม่ค่อยชอบอ่านไม่ค่อยสนใจพราะในจิตสันดานเหล่านี้มันก็โน้มน้อมเข้าหาแต่ว่าแกก็ไม่ถึงเปง็นลงกรรมนะมันเป็นเฉพาะมะโนกรรม ไม่ถึงกับกายกรรมวัจิกรรมที่ใช้ความรุนแรงไอ้บา ป, ปรกรรมมันก็ลดลงมาคือมันก็ไม่ถึงกับตกนรกแต่ก็ไม่ได้สุคติอย่างคนที่ทำความดีเหล่าอื่นเอาไว้ปัญหาที่น่าศึกษาก็คือว่าไอ้นรกที่ว่าเนี่ยคือปารโลกในโลกอื่นาะฏฐานที่นั้นอยู่ที่ไหน ในพระคัมภีร์ตามลูทธศาสนาไม่ได้บอกไว้นะฮะอย่างที่เราพูดสํานวนไทยนั้นเราติดสํานวนนรกของพราม์เฉยๆนะฮะกายายก็อยู่ใต้ดินกายก็ลงไปใต้ดินที่จริงใต้ดินไม่ไม่ได้พูดถึงแต่คําว่าตกนรกกับคําว่าขึ้นสวรรค์นั้นเป็นการพูดถึงลักษณะของจิตลักษณะของจิตที่ขึ้นกับจิตตกนั้นให้ลองสังเกตว่าจิตตก <c oughs> บางทีนี่นั่งสมาธิจิตมันตก ไม่ยอมสงบเลยคิดไปเรื่องอะไรไมาวุ่นไปหมดเลยทั้งเรื่องบ้านเรื่องงานเรื่องรถเรื่องคนเรื่องลูกน้องเรื่องโรคภคยวุ่นไปหมดเลยนั่นคือแรงปรจิตประตกไม่ยอมขึ้นสู่ไอ้วิถีของอารมณ์กรรมาฐานนั่นคือสภาพจิตที่ตกจิตที่ตกไปในลักษณะอย่างนั้นก็หมายถึงมองอีกมุมหนึ่งก็คือตกไปสู่อํานาจตกไปสู่กระแสะกิเลสตกไปสู่กระแสะของกิเลสก็ถูกกิเลสพัดผันให้หมุนวนไป ความคิดมันก็เป็นอกุศลพูดมันก็เป็นอกุศลทำ ม, มันก็เป็นอกุศลหมดเลยนั่นคือสภาพจิตที่ตกแต่ไม่ได้หมายความว่าตกจากที่สูงลงชี้ต่ำอย่างนั้นคือไม่ไม่ได้หมายความมาท่าสวรรค์แล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้้นนานรกแล้วก็ลงอย่างนี้เป็นการพูดถึงสภาพจิตเท่านั้นเองส่วนไอ้นรกสวรรค์มันจะอยู่กันยังไงโลกมันเป็นจักรวาลเนี่ยจักรวาลแต่สรุปว่าโลกอื่นไม่ใช่โลกมนุษย์ทีนี้การไปนะ การไปพระพุตธเจ้าทรงอุปมาให้ให้ใหฟังไว้ในพระสูตรอื่นนะคทรงสแสดงว่าเหมือนคนโยนท่อนไม้ขึ้นบนอากาศมันอาจจะาปลายลงอาจจะาโคนลงหรืออาจจะาตรงกลางลงก็ได้เพราะฉันคนสัตว์โลกทั้งหลายนี่ตายแล้วเนี่ยอาจจะเกิดในโลกนี้ซ้ำซ้อนก็ได้ อ, อาจจะเกิดในโลกอื่นเรืออาจจะเกิดไกลขึ้นไปกว่า น, นั้นแล้วสัตว์จากโลกนี้ก็อาจจะเกิดในโลกอื่นเรืออาจจะเกิดในโลกนี้พราะก็หมุนวนคล้ายๆกับมีการเคลื่อนย้ายมีการอุปยบด้วยทางวิญญาณพูดผู้สํานวนชาวบ้านนะคล้ายๆอุปยบเคลื่อนย้ายทางวิญญาณด้วยแรงส่งของอะไรคือแรงส่งของกรรมปัญหาเรื่องการคมนาคมนั้นท่านไม่ต้องไปติดใจนะฮะไ ม, ไม่ไม่ต้องนิยานภาชนะอะไรเพื่อเป็นการไปของจิต คือจิตไม่ถูกขั้นโดยกาลเทศะและก็ไม่มีกำแพงอะไรไปขวางกั้นไว้ได้เขาไปก็ก็ไปได้ทันทีเลยพลจุติปุ๊บก็อุบัติปั๊บได้ทันทีในพระสูตรในพระสูตรในส่วนอื่นเป็นการแสดงในเฉพาะแนวของกรรมคือไ ม, ไม่ได้บอกที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อย่างที่เคยเล่าให้ฟังในเรื่องวิมานวัตถุว่า ที่พระพุทเจ้าไม่แสดงที่ตั้ง่างภูมิศาสตร์นั้นเพราะเวลาพูดถึงเรื่องนี้แล้วพูดกับคนรู้ทั้งนั้นในทุกที่เลยไม่เคยพูดกับชาวบ้านธรรมดาสามัญและที่น่าสังเกตก็คือคนสมัยนั้นไม่เคยถามเลยวันรกอยู่ตรงไห น, นไม่มีใครสักคนเดียวที่ถามวันรกอยู่ตรงไหนนี่คือเรื่องแปลกแต่มีคนสมัยนี้ก็ถามกันอยู่เรื่อยต้องการจะให้ชีเ้เรื่อยวันรกอยู่ตรงนั้นตรงนี้นเพราะนั้นเมื่อมีการชี้มันก็ชี้กันในในแง่อื่นในมุมอื่นเพราะว่าการแสดง ถึงผลของบุญของบาปนั้นที่จริงพระพุทธเจ้าแสดงโดยประยายเป็นอนเนกคือนยิยต่างๆเพระนนาะนรกบางทีก็แสดงเป็นสภาพของชีวิตที่ประสบความทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆด้วยโรคภัยไข้เจ็บด้วยความยากไร้ด้วยอากาศด้วยความหิวโหยด้วยมีสัตว์สู่ข้อมล้อมเป็นต้นนี่คือสภาพชีวิตอย่างนี้มันก็ตกนรกเราเรียกว่าตกนรกทั้งเป็นแล้วก็พูดกัน อ, อีกอย่างหนึ่งเป็นสภาพของจิตที่มีความอาฆาตพยาบาทมีความรุนแรงบังเกิดขึ้นถูกความรู้สึกเหล่านั้นแผดเผาก่กอให้เกิดความเล่าร้อนด้วยประการต่างๆนั้นก็ตกนรกทางใจบางครั้งก็จิตใจที่ไม่มีหลักธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจปราสาจคิริปราสาจโอตปะเป็นเครื่องคุ้มครองใจทําอะไรไปทั้งต่อหน้าคนทั้งรับหลังคนบางทีต่อหน้าคนไม่ทําก็อาจจะทํารับหลังคน ซึ่งจะมีในเรื่องเรื่องพระสูตรข้างหน้านะครก็มีในตอนหนึ่งซึ่งอัฏฐารวกกะกุมารราชกุมารมากราชกุมารใน เ, เมืองอาลวีท่านมาเฝ้าพระพุทธเจ้าระดูหนาวเลยหนาวจัดหิมะลงเลยมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงบรรทมสบายดีเลย ว, ว่ามันหนาวอ่ะถามแบบชาวบ้านถามพระเจ้ารับสั่งว่าตาทาคตก็หลับสบายดี บรรดาคนที่หลับสบายทั้งหลายในโลกนี้ตถาคตก็เป็นคนหนึ่งที่หลับสบายแล้วก็หลับสบายดีกว่าคนอื่นแล้วแกก็ถามอากาศหนา ว, น, าวนี่ไม่เสียดแทงแหะไม่ไม ไ, มไม่หนาวมากเลยเพราะหิมะลงเรือยเกินพระเจ้าไม่รับสั่งพระองค์รับสั่งว่าเอาแหละไอ้คนคนหนึ่งอาจจะอยู่บนปราสาทที่มีฝามีประตูมีหน้าต่างบป ก, กปิดไว้อย่างดีเลย ความหนาวจากภายนอกไม่เข้าไปเสียดแทงภายในก็มีเครื่องทําความอนมีพรมมีอะไร ก, ก, ก็คือคือกบพัฒ น, นาสมบัติสมัยนั้นสรุปอย่างงั้นสมบัติของมหาเศรษฐีของมหาราชาเนี่ยเรารับสั่งถามว่าถ้าใจเขาเล่าร้อนด้วยแรงราคะด้วยแรงโทสะด้วยแรงโมหะถูกบงังคับไปสายไปอยู่ตลอดเนี่ยไใจถูกแผดเผาด้วยกิเลสเพื่อง่ายว่าถูกแผดเผาด้วยกิเลสเนี่ยก็จะนอนหลับเป็นสุขไหมทั้งทั้งที่มันน่าจะสุข ราชกุมารก็บอกว่าเป็นสุขไม่ได้เพราะว่าใจไม่ยอมเป็นสุขพระพุทธเจ้าก็มองย้อนกลับมาที่พระองค์ว่าอิกิเลตเป็นเหตุให้ร้อนหรือให้หนาวเนี่ยทั้งร้อนทั้งหนาวเนี่ยภายในพระไทยของพระพุทธเจ้าไม่มีของประาฐาคตทั้งหลายนะสงฆงใช้คำว่าประาฐาคตทั้งหลายนี่ไม่มีเพราะฉะนั้นอากาศก็คืออากาศนะฮะประาคตก็คือประฐาคตกายก็คือกายพระไทยก็คือพระไทย ซึ่งท่านทั้งหลายลองสังเกตนะครับว่าอากาศหนาวเนี่ยที่จริงเรารับเฉยๆนะครับเราแกล้งหนาวเฉยๆบางทีก็กอดอกทำสัน่นไปๆๆไปๆทำงานไปธรรมดามาไม่เห็นหนาวอะไรนะทำงานไปธรรมดามาเคยอยู่อินเดียมันลงถึงสามถึงสองก็ไม่เห็นมีทำอะไรก็ อ, อาบน้ำตื่นขึ้นมาถึงก็ อ, อาบน้ำทำงานเฉยๆถ้าเอาผ้ามาห่มครูไม่มากยิ่งหนาวเราไปยอมใจเราไปยอมเฉยๆเราทำเฉยๆไม่รับรู้มันก็เท่านั้นแหละมันก็หนาวได้เท่านั้นแนหะ แสดงว่าถ้าใจไม่บวกเข้าไปในพระพุทธเจา้าไม่บวกเลยนะฮะพระพุทธเจา้าในใจไม่เข้าไปบวกกับความหนาวเหล่านั้นเลยเพราะงั้นไอ้ความหนาวก็ไม่ไม่เสียแทงอะไรพระไตยของพระองค์นี่ก็แสดงถึงสภาพจิตสภาพจิตที่มันก็ตกนรกด้วยสภาพจิตที่ถูกเผาหล่นด้วยความรู้สึกเหล่านี้แต่ที่ลงกันสมกันก็คือว่าทั้งหมดนั้นเป็นผลของอกุศลไม่ว่านรกในโลกนี้นรกภายในใจนรกสภาพชีวิต รกทั้งเป็นใ้นะรกหลังตายก็ตามเป็นผลของอกุศลทั้งหมดนั่นคือผลรวมที่แน่ชัดไม่มีความวิปริตเปลี่ยนแปลงปัญหาในเรื่องเหล่านี้ถ้าบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในพระสพพัญยุตยานที่พระพุทธเจ้ารับสั่งแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้พระองค์รู้มาด้วยพ ร, รุ่งเองเพราะอะไรเพราะว่า มีคนเป็นจํานวนมากที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้คนไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้นั้นก็มีอยู่หลายอย่างนะครับบางทีก็โง่เขลาบางทีก็ทําบาปไปแย่นะก็ทําบาปไปแย่ก็กลัวนรกก็คล้ายๆกับคนเดินแล้วก็กลัวผีนะก็ตะโกนเสียงดังๆเพื่อปลอบตัวเองนั้นเองนี่ก็บางคนนั้นก็อาจจะไปเรียนไปในสายใดสายหนึ่งแต่มองในแง่ของโลกทางวัตถุมากเกินไป ไม่ได้มองให้ซึ้งลงไปในโลกของทางจิตแล้วก็กฎของกรรมกฎของสังสารวัตรที่ตั ว, ต, วตัวแปรสําคัญจริงๆก็คืออวิชามากอาวิชาน้อยนะอวิชามากอาวิชาน้อยพูดถึงในภพสังสารวัตรเนี่ยมันก็อยู่ที่ถ้าอวิชามากบาปอากุศลก็มากคือสังขารมันก็เป็นบาปมากเมื่อเป็นบาปมากจิตมันก็ตกตกมันก็ตกจะเป็นอาบายทุกติบินิบาดนะรกก็ตามทีนี้ถ้าวิชามันจางลง จางลมเราก็มีวิชามากยิ่งขึ้นความโลภ ค, ความโกรธความหลงก็ยังมีก็ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเราก็บรรเทาเราลดความรุนแรงบางครั้งก็ให้ทานได้บางครั้งก็ให้ไม่ได้เพราะที่นีาะงั้นไอ้ที่ให้ได้มันก็เป็นกุศลไปบางครั้งรักษาศีลได้บางครั้งรักษากไม่ได้ที่รักษาได้ก็เป็นกุศลไปบางทีก็นั่งสมาธิได้บางทีก็นั่งไม่ได้ไอ้ที่นั่งได้ก็เป็นกุศลไปทีเนี้ยพวกนี้มันก็คานกันเองต่อสู้กันเองว่าฝ่ายไหนหนักล่ะถ้าว่ากั้มกึ่งกันก็ต้องไปรอตัดสินอย่่่าางทีว ถ, ถ้าอย่างหนึ่งลอยตัวออกไปมันก็ไปตามตามสายของเขาพวกนี้ในระดับภพบชาตินั้นทุกคนยังมีอวิชชาไม่มีใครที่หลุดพ้นจากอวิชชานะฮะแม้แต่พระนาคายัางละอวิชชาไม่ได้แต่ว่าถ้าวิชาจางลงจางลงใจจะสูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นแล้วภพชาติไอ้ไอ้ไอ้ไ อ, อ, อ้สภาพชีวิตก็สูงขึ้นแต่เรามองสวรรค์นในโลกปัจจุบันสภาพชีวิตก็สูงขึ้นสภาพจิตก็สูงขึ้น พฤติกรรมทั้งหมดก็เป็นกุศลมากกว่าที่เป็นอกุศลหลักธรรมคือดิอุตตปะก็กลายเป็นเครื่องคุ้มครองใจได้พอตายไปเป็นสัมราจะพบก็ต้องยกถาวายยกถาวายพระพุทธเจ้านะฮะก็อย่างที่บอกมาเสมอว่าเรื่องของสังสารวัฏแล้วนะฮะระดับของสังสารวัฏเนี่ย เราจะต้องเชื่อฐานพระยานสองข้อคือปุเพนิวาสานติยานรู้ชาติก่อนได้กับจุตูปปาติยานรู้จักการยุติอุบัติบังเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงศัสรุทรงบรรลุก่อนการสัจสรุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นคนเราวิสัยเคยเรียนรู้กันมาคนเราวิสัยกันทีนี้เมื่อมาถึงจุดที่เรียกว่าจิตใจยอมรับฟังเรื่องนี้มันก็กลายเป็น เป็นการสร้างความอุ่นใจหรือความมั่นใจในการประพฤติการกระทําของบุคคลท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าไอ้ตัวโอตรปะปาเนี่ยโอตรปะปาที่แปลว่าความสะดุ้งกลัวต่อ บ, บาปตามปกติมันจะปรารบปัจจัยภายนอกเป็นฐานให้เกิดขึ้นฉะนั้นจะนึกว่าเออทานี้วันมันหลังไม่ได้เราติเตียนตัวเองได้ก็จะไม่สบายใจจะต้องเสียใจในภายหลังเราก็ไม่กระทําบางครั้งก็ไปมองว่าเออ ผูหลักผู้ใหญ่ก็พบก็เห็นข่าวก็จะตำหนิตีเตียนเอาจะทำเลยบางครั้งก็ไม่ไม่มองไอ้นี่มันผิดกฎหมายนะแต่ปวดึงผิดกฎหมายเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกเมื่อวานนี้ก็มีโย ม, มาเล่าฟังว่ารู้สึกว่าพวกพวกเข้ามาจากต่างประเทศนะมีความชื่นชมเหลือเกินที่สามารถเอาพรมเปอร์เซียเข้าประเทศโดยไม่ต้องหนีภาษีได้ไม่ต้องจ่ายภาษีได้นี่มันสั่งากันจังไงก็คือแปลว่าเอามาอวดอกุศลกัน เอาอาคุสนี่มาอวดกันว่าสามารถทำได้สามารถเลี่ยงกฎหมายมาได้สามารถเอาได้และสามารถใช้ของหนีภาษีได้เนี่ยมันเป็นความโกรู้เหลือเกินน่อันนี้มันเป็นอกคุสนะฮะมันเป็นบาปเป็นอกุศลและจิตใจก็เราเองก็ถูกแต่ความโลภความโกรธอะคือโลภอยากอยากได้จนไม่ได้คำหนึ่งถึงกฎเกณฑ์อะไรแล้วถ้าหากว่าใครไปเก็บภาษีข้าเราก็โกรธล้วก็โกรธ ถาว่ารังแกอะไรเบียดเบียนของใชอ้อะไรตัวใดนี่เพราะงั้นสิ่งอะไรก็ตามที่มันเป็นกุศลก็ต้องมองให้เห็นเป็นกุศลไว้สิ่งที่เป็นอกุศลก็ต้องมองเห็นเป็นอกุศลเอาไว้แต่ว่าความสํานึกในลักษณะนี้ท่านทั้งหลายจะพบว่าบางทีในระดับของกฎหมายเราก็ไม่ย่อมสานึกโอตบะจึงมีตัวกระตุ้นอีกตัวหนึ่งคือความกลัวต่ออาจฉยะของกฎหมายอาจฉรที่เกิดขึ้นจากการทําผิดกฎหมาย แต่ถ้าใจกระด้างไม่ยอมรับบุตหมายแล้วก็เลิกพูดเรื่องธรรมะเลยเพราะธรรมะมีควา ม, ะมระมัดละวักว่านั้นคนจะไม่เห็นเรื่องอาณาของบ้านเมืองนั้นเป็นรูปธรรมที่ออกจะชัดนะฮะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีคนไปลงโทษมีคนไปจับกลุมมีคนตัดสินอะไรแต่ไรเนี่ยแในคุกตารางมันก็เห็นได้ชัดโอตปะจะเกิดขึ้นได้เพราะความคิดความกลัวต่อภายในคุกตาราง แต่ว่าฐานจริงๆนั้นท่านบอกว่ากลัวภัยในในรกต้องกลัวภัยในในรกมันจะเกิดอตุตรปะที่คุ้มครองใจอย่างดีที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองติเตียนตนเองได้นั้นถ้าคนกระด้างแต่อย่างหนึ่งไม่มียอมรับผิดไม่มียอมรับผิดอย่างที่เอาไปออกโทรทัศน์ได้ฟังวันก่อนเนะีย่ยเด่๋ยวคนขําทางที่เขาห้ามข้าไม่ยอมขําทางมาหลายให้เหตุผลได้หมดทุกคนเนี่ยคนหนึ่งบอกว่าเหนื่อย ไม่อยากขึ้นเหนื่อยเหนึ่งบอกว่าไกลไปคนหนึ่งบอกว่าคนนั่งในรถสบายสบายจะมาบางังคับให้คนเดินถนนข้ามทางม้าลายเนี่ยสแสดงไม่ยุติไไม่ใช่ข้ามสะพานลอยนั้นสแสดงไม่ยุติธรรมอ่ะเป็นการเอารัดเอาเปรียบกันเพราะงั้นแก่ก็ต้องข้ามตรงนี้เดแตวบางคนก็รู้สึกว่ามันก็นง่ายดีไม่ต้องเดินคือสรุปว่ามีเหตุผลที่อธิบายได้ แต่เหตุผลนั้นจะต้องมองว่าการใช้เหตุผลเนี่ยเหตุผลที่เราใช้ไปผลจากการใช้เหตุผลแล้วก็ทําลงไปเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนหรือแก่คนอื่นไหมถ้าหว่าสร้างความเดือดร้อนให้มันก็ไม่ใช่เหตุผลเพราะเหตุผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบในทางลบต่อคนเด่นการใช้เหตุเหตุผลในแง่ที่เป็นกุศลนะฮะในแง่ที่เป็นอกุศลมันก็แน่แน่นอนแต่มันก็เป็นกฎของกรรม ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องการใช้เหตุผลของคนเหตุผลที่ถูกต้องสมบูรณ์ก็คือหมายความก็โยงเหตุยงผลกันได้ว่าถ้าทำอย่างนี้มีผลออกมาอย่างนี้ผลอย่างนี้เกิดขึ้นมาจากเหตุอย่างนี้เนี่ยสามารถโยงเหตุยงผลกันได้การการใช้เหตุผลเข้าข้างตัวเองนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาและก็สรุปว่าคนอธิบายได้หมดเลย ไม่ว่าอะไรก็ตามทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ถูกต้องนะฮะแต่เขาก็อธิบายได้อธิบายตามความถูกใจทำความพอใจกันตัวเองแต่ ว, ว่ากฎของเอ่อต่อมาวินยูชนถ้าคนไม่ไม่ให้ความสําคัญแก่วินยูชนอย่างในคนปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ า, ามาลองสังเกตว่าแปลกนะฮะเดี๋ยวนี้เคยไปในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีเด็กผู้หญิงสี่คนนะแกยืนอยู่พอเราลงลงเดินแกก็แซงตัดหน้าได้เลยเามาก็เดินลงมากับหมอ เดินอะกันเดินคุยกันน้องแน่น้องเน่งเต็มเต็มเต็มไอ้บันไดเลยนะเราก็จะแซงกับไม่ได้ก็ต้องเดินตามแกไปแล้วแกไม่มีความรู้สึกว่ามีพระมีหมอมีผู้ใหญ่เดินอยู่ข้างหลังแกไม่มีความรู้สึกเลยแกเดินคุยกับ น, น้องเน่งน้องเน่งไม่ไม่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยนะว่าเออคนสมัยนี้เก่งมากเลยแสดงว่าพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะไม่รู้หนาวรู้ร้อนนี่แสดงว่าไม่ยินดียินร้ายนะแสดงยินดีดินร้ายแต่นี้มันเป็นโมหะไม่ใช่ว่าเป็นการบรรเทาโลภโทสะ มันเป็นเป็นเรื่องของโมหะที่ไม่รับรู้อะไรเลยเมื่อเมื่อก่อนเราเจอพราะว่าไม่ใช่เมื่อก่อนหรอกถ้าคนมีความสำนึกเนี่ยเราก็ต้องมองเราต้องมองว่าเราควรจะหลีกหรือเราเดินไปได้ก่อนเราก็เดินหรือหรือควรจะหลบให้ท่านไปก่อนให้ผู้ใหญ่ก็ไปก่อนแล้วเราเดินคุยกันเฉยๆแล้วก็เดินได้เต็มเต็มเลยสี่คนก็เต็มบันไดพอดีนี่คื อ, อไม่สนใจอ่ะไม่สนใจไม่ให้ความสาคัญแก่ กฎ ร, ระเบียบแบบแผนต่างๆหรือว่าความรู้สึกนึกคิดของวิญญาณชนทั้งหลายพรามันก็แก้ไขอะไรไม่ได้หรือว่าอาญาของบ้านเมืองก็เหมือนกันถ้าเราไม่ยอมรับอำนาจของกฎหมายหรือไม่มีสักขีพยานอยู่เราก็ไม่สนใจะไรคนก็ทําได้สบายๆก็มีเยอะไปที่คนทาผิดกฎหมายแต่ท่านานารกแล้วจบเลยมันไม่มีข้ออ้างนะฮะไม่มีข้ออ้างอย่างที่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงแสดงว่า เวลาเราทำบาปกรรมในเราอ้างอย่างนั้นอ้างอย่างนี้อ้างทำเพื่อ น, นั้นเพื่อนนี้หรือที่เคยเล่าให้ฟังที่ภาษาริบุตรให้สติท่านท่านทานันชานีพราหมณ์นะฮะตีแกช่ราชบังหลวงเยอะนะฮะช่อราชบังหลวงเยอะเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ของพระเจ้าประเสริฐกุศลท่านก็ตั้งปัญหาคิดว่าที่คุณอ้างว่าทำความผิดเพราะลูกเพราะปัญญาเพราะกล้าท่าปริวาร น, นะเพราะต้องเลี้ยงดูบริวารชนอะไรต่างๆเนี่ยในโลกนี้คุณอ้างได้ ก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณอ้างได้แต่ว่าเวลาไปถึงนรกเนี่ยไปถึงหน้ายมบาบเนี่ยคุณอ้างได้ไหม <k ull an> คุณน้างว่าที่จริงผมไม่สมัครใจทำหรอกที่ผมต้องทำเพราะทำเพราะปัญญาเพราะต้องเลี้ยงดูมารดาบิดาบุตรปัญญาขาถาบริวารเนี่ยคุณอ้างได้ไหมแกบอกอ้างไม่ได้อออ้างไม่ได้คนเรา อ, อื่นที่คุณบอกว่าเขาทําเพื่อเขาเนะี่ยไปช่วยอ้างเป็นพยานให้ได้ไหมแกบอกไม่ได้พราะไม่ได้การกระทําของคุณ ก, ก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่จะไปอ้างความผิดแล้วจะไม่ผิดนะครับเพราะกฎของกรรมนั้นไม่มีความสับสนในกฎของกรรมทำผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกแล้วก็ไปอ้างเหตุผลอะไรไม่ได้ในในชาวโลกโดยการอาจจะอ้างได้อย่างกรุงเทพทุกวั น, นเราอ้างรถติดทีเดียวเพื่อเปลี่นใจนะครบางทีเราก็มาสายแลก็โยนให้รถจะก็หมดเรื่องไปนะก็สบายใจก็เข้าไปสงา่างามไปเลยบางทีก็จ้าไปตั้งหนึ่งชั่วโมงนะอ้างรถติดทีเดียวก็เสร็จ ผู้ใหญ่ก็อ้างติดประชุมไะหน่อยนะ่งประชุมกันเยอะในวะัๆๆนวะันอ่ะอ้างติดประชุมมากอ้างรถติดมากก็อยู่กันไปได้แต่ถ้าในกฎของกรรมแล้วก็ไม่มีอะไรสำหับ อ, อ้างอทีนี้ฐานอีกอย่างหนึ่งในเรื่องเหล่านี้ในเรื่องของเทวทูตนั้นนั่นเป็นเป็นรายละเอียดที่ออกแกพิเศษนะที่ออกจากพระโอษฐ์เองตามปบบกติเราไม่ค่อยพบอะพระพุทธเจ้าจะแสดงแสดงไปในรูปของกรรมเป็นหลักไม่ค่อยให้รายละเอียดถึงว่ามีการซักถามกันอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ว่าพระอาจรยกถาอาจารย์ก็นำข้อความจากที่อื่นมาอธิบายเพิ่มเติมขึ้นอย่างที่กล่าวในตอนต้นเนี่ยสิ่งที่บุคคลฟังเรื่องนี้แล้วควรจะจับเป็นหลักก็คือว่าทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากผลของอกุศลแล้วก็จําแนกไว้อย่างชัดเจนว่าถ้ า, ากุศลประจักษ์ชัดนั้นไม่ต้องผ่านเรื่องเหล่านี้อกุศลประจักษ์ชัดนั้นไม่ต้องผ่านเรื่องเหล่านี้เพราะงั้นผ่านเรื่องนี้ พ, พวกเดียวแต่นั้นเองที่มีบาป บ, บุญกั้มกึ่งกัน แล้วก็พร้อมจะมีตัวแปรเข้ามาเปลี่ยนทิศทางได้โดยไม่จําเป็นจะต้องผ่านกรรมวิธีเหล่านั้นอย่างตัวอย่างที่ยกมาแล้วอาจจะนึกถึงกุศลก็ได้นึกถึงอกุศลก็ได้นั้นก็เรามองในแนวอะไรแน ว, แน ว, แ, นวแนวอาสันนกรรมอาสันนกรรมคือกรรมเมื่อจวนจิตที่จะที่จะดับแต่ให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่ามันเปลี่ยนพบนะฮะตอนนี้หมายความว่าคนเราเมื่อตายไปแล้วมันก็เกิดคือว่าจุติก็ปฏิสนธิปฏิสนธิในรูปไหนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แสดงว่าพอไปถึงกรรมมาสร้างใหม่เลยกรรมข้ามาตัดสร้างเป็นชนก ก, กรรมใช่ไหมเจนว่ากุศลกรรมข้ามาตัดก็ให้ไปบังเกิดในสุกติเสเลยเอกุศลกรรมข้ามาเวนิฉายก็บังเกิดในทุกติไปเลยหรือในกรณีที่ไปสู่สำนักพยาโยมก็จะมีการซักถามตามที่กล่าวแล้วซึงก็พร้อมที่จะหักไปด้านใดด้านหนึ่งได้ไม่ใช่ว่าตกนรกเสมอไปนะหรือว่าขึ้นสวรรค์ไอ้บังเกิดในสุกติเสมอไปพระพุทธเจ้าเองไม่ใช้คําว่าตกนรกนะฮะ นรกใช้คําว่าเข้าถึงนะสวรรค์ใช้คําว่าอุบัติใช้คําว่าอุบัติกายัสสะเพดาปรามนาสุขติงสักกังโลกังอุป ป, ปัชชิติหลังจากตายไปแล้วย่อมบังเกิดในสุคติถ้าถึงนรกอบายเนี่ยท่านใช้ต้องใช้คําว่ากายัสสะเพดาปรามนาทุกติงวินิปาต่างนิรยังอุป ป, ปัชชติเข้าถึง เข้าถึงนรกเข้าถึงนรกหรือโลกอาบายทุกติบินิบาทคำมันก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าเราเวลเราแปลเราแปลว่าเข้าถึงกับบังเกิดเข้าถึงนรกกับบังเกิดในสวรรค์บังเกิดบนสวรรค์หรือในสวรรค์ประการที่สําคัญถ้าเราจับได้หลักเหล่านี้ได้นะครับมันมันเป็นตัวสร้างฮิริอุตตะปาขึ้นมาได้สูงภายในจิตสานึก แล้วก็ปิดกั้นกระแสะของอกุศลได้ทุกการละเทสะไม่ว่าจะต่อหน้าคนหรือรับหลังคนคนเห็นหรือไม่เห็นนะเราก็รู้แก่ใจของเราว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญบาปนั้นก็ให้ผลเป็นทุกข์บุญก็ให้ผลเป็นสุขและที่สําคัญอีกชั้นหนึ่งก็คือได้รับความอุ่นใจความอุ่นใจนี้ก็ทงแสดงไว้หลายแห่งนะว่าถ้าเรากระทําเมื่อเรามองอย่างนี้แน่นอนนะคนเราก็ต้องกลัวบาป ก็ต้องหลีกนี้บาปก็ต้องประกอบสิ่งที่เป็นกุศลเวลาคนทําที่เป็นกุศลทำกุศลคือความดีนั้นสมมุติว่าเราจับหลักอะไรไม่ได้ก็คล้ายๆกันในอภรณกสูตรที่เคยเล่ามาคราวหนึ่งแล้วนะฮะที่ว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งพวกพวกพราหมณ์พวกคณะบดีทั้งหลายว่านับถือใครเป็นฐานสดาท่านเหล่านั้นก็บอกว่ายังไม่นับถือใครพระพุทธเจ้ามไม่เป็นไรไม่นับถือใครก็ได้อย่าทำให้ผิดก็แล้วกันอย่าทําให้ผิดก็แล้วกันคือจับหลักอย่าให้ผิดไว้ก่อน แล้วค่อยเพิ่มเติมข้อมูลเอาใหม่จะนับถือใครจะปฏิบัติเดินหน้ายัางไงแต่ตอนตอน้ตอนๆอย่าให้ผิดเลก่อนเพราะถ้าผิดซะก่อนแล้วมันจบเราเราลองดูตัวอย่างพระเจ้าชาติตรูนะพระเจ้าชาติตรูท่านผิดซะก่อนถ้าท่านไม่ผิดถ้าท่านไม่ฆ่าบีดาไม่ทำปีตุขาสแล้วเนี่ยได้มันเป็นปโสดาบันตัดกระแสคือเข้าถึงกระแสปณิพานได้เลยแต่มันผิดซะก่อนผิดซะก่อนมันก็เดินไม่ได้ แม้จะพยายามอย่างไรทำความดีอย่างไรแต่ว่าไปลดอเออนันตรีกรรมเหล่านั้นไม่ได้ท่านก็ต้องเสเวยผลบาปเหล่านั้นในชั้นต้นก็ระมัดระวังอย่าให้ผิดเสก่อน เ, ออเมื่อบุคคลทำความดีแล้วก็จะได้ความอุ่นใจที่เราสัมผัสได้ด้วยตัวเองในปัจจุบันคือหมายความว่าท่าผลของความดีความชั่วมีอยู่เราทำความดี เราก็ได้รับผลเป็นความสุขถ้ า, าทั้งปัจจุบันและภายหน้านะฮะทั้งปัจจุบันและภายภาคหน้าถ้านรกสวรรค์มีด้วยถ้านรกสวรรค์มีด้วยเราก็รอดพ้นจากนรกกว็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีสวรรค์นรกในชาติปัจจุบันก็เรียกว่าได้ความสุขที่เป็นปัจจุบันคือในทิฏฐธรรมเป็นการอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ใครๆไม่ได้สร้างเวรสร้างภัยแก่ใครๆ เราก็ไม่ทำความเดือดร้อนแก่คนอื่นคนอื่นก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้แก่เรานี่ก็ได้สุขในทิฏฐธรรมแล้วก็ได้สุขในสัมปรายภพราะในการเชื่อกฎของกรรมในส่วนสังสารวัตเชื่อกฎของกรรมในส่วนสังสารวัตนั้นมีผลต่อเนื่องที่จริงทั้งทั้งทั้งสามช่วงนะฮะช่วงหนึ่งก็คือให้ความสุขในปัจจุบนันให้ความสุขในสัมปรายภพสร้างบารมี เป็นการเก็บสะสมบรมบารมีสร้างกิตตสันดานของบุคคลให้มีความประนีตมากยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าคนไม่ยอมจับอะไรเลยคือไม่แคร์ต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของตัวเองไม่สนใจถ้อยคำของคนอื่นไม่สนใจเรื่องอาจยาของแผ่นดินแล้วก็ไม่รับรู้เรื่องนรกจิตมันก็ตกจิตมันก็ตกไปสู่กระแสของอกุศลการกระทำของบุคคลนั้นก็จะเป็นบาปเป็นอกุศลมาก ตามธรรมดาของของคนนะฮะบางสิ่งมีชีวิตทั้งหลายและโดยเฉพาะในปัจจุบันถ้าเราถ้าเรามองดูจะพบว่ามันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่องไม่น่าแรงมันก็แรงกันมาได้ไม่ถึงก็ฆ่าก็มาฆ่ากันไม่ถึงก็จะทําลายล้างกันจนถึงกับล้มตายหรือบางทีเนี่ยชุนเฉียวอะไรนิดหน่อยไม่ไมพอใจคนสักคนหนึ่งเนี่ยก็ปาระเบิดโครมก็ไปในกลางคนทั้งทังที่ว่าคนไม่รู้หน่อยเนี่ก็ต้องร้อนเดือดร้อน นี่คือแสดงให้เห็นถึงว่าโลภะโทสะนี่โดยเฉพาะตัวโมหะนี่มันปิดบังปัญญาของคนไว้มากเหลือเกินจนจนไม่ยอมพินิษฐพิเคราะห์อะไรให้มันอย่างน้อยๆก็ลดความรุนแรงลงไปหน่อยแล้วบางทีคนเหล่านี้ก็ไม่ได้สำนึกเสียใจอะไรด้วยเมื่อก็ททำไปแล้วในที่สุดใจเขาก็จะเพิ่มภูมบาเพิ่มภูมนิอกุศลมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็มีความชาชินกับบาปอกุศลสะสมบาปอกุศลไว ม, มาก ในชาติปัจจุบันเขาก็เดือดร้อนแม้ผลบุญผ ล, ผ, ลผลบาปจะไม่มีเอาสมมุติว่านะสมมติสมมติว่าผลบุญ ผ, ผลบาปไม่มีแต่เขาก็อยู่ดีมีสุขไม่ได้นี่ก็เป็นภาพที่เราเห็นกันได้และถ้าผลบุญผลบาปมีนรกสวรรค์มีนี่ก็พูดในประเด็นปริกับคือสมมติว่าถ้าเอานะสมมติว่าสมมุติเอาโดยโดยไม่จําเป็นว่าจะต้องเดินหน้าไปเชื่อตามที่รพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้แต่ก็พูดโดยพื้นฐานของการสมมติ ถ้าผลบุญผลบาปมีในโลกสวรรค์มีคนเหล่านี้ก็ต้องเดือดร้อนทั้งในชาติปัจจุบันแล้วก็ตายไปแล้วตกนรกด้วยวันเทวทูตเรื่องเทวทูตสูตรประเด็นที่สําคัญเนี่ยประเด็นที่สําคัญว่าทํำยังไงจึงจงเวลาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนะฮะคือสรุปว่าเห็นพวกธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยให้มีจิตสํานึกอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่าให้เกิดกิเลสอย่างน้อยที่สุดอย่าให้เกิดกิเลสอย่าให้เกิดรังเกียจอย่าให้เกิดความไม่พอใจ แต่ว่าให้เกิดอย่างน้อยก็ให้กลาง ๆ, ๆไว้อย่างดีให้ทําใจกลางๆไว้แต่ถ้าน้อมนึกเข้ามาหาตัวเองได้นะน้อมนึกอย่างเนี้ยอย่างอย่างที่เราสวดในพิณปัจเจกขณะเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้แต่ว่าที่ที่ที่พิจารณานั้นให้พิจารณาสามช่วงว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองสภาวะมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ ถ้าเราคิดได้อย่างนี้มันก็กลับไปชำระพวกศีลพวกอะไรข้างบนน่ะให้เราสังเกตว่าถ้าเรายอมรับเอาชีวิตเนี่ยมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายก็ไม่รู้จะฆ่ากันทําอะไรอะ่ะอนปล่อยมันตายไปแล้วแล้วกันตายเองกันเราก็ไม่ต้องเพิ่มบาปเพราะความโกรธความไม่พอใจในคนอื่นแต่ละคนต่างก็จะต้องจบลงที่ตายการฆ่าการเบียดเบียนกันจริงไม่มีความจําเป็นอะไร แต่เพราะคนไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้หรือบางทีก็เกิดโมหะปิดบงังปัญญาโธสัมมาเกินไปแล้วก็กระทาในลักษณะย่ํายีตัวเองย่ํายีบุคคลอื่นฝ่าฝืนกฎหมายของบ้านเมืองแล้วก็ตายเป็นบา ป, ปรกรรมที่จะติดตัวไปในทางพระพุทธศาสนาจึงเน้นในด้านการประพฤติธปฏิบัติโดยไม่ตัดตัดประเด็นปีกย่อยออกไปดังกล่าวนะครับประเด็นปีกประเด็นเหล่านี้ก็ถือเป็นประเด็นปีกย่อยนะที่จริง แต่ว่ามันก็เหมาะสมหับระดับหนึ่งที่ทําให้คนละเว้นบาปบาเพ็ญบุญสำหรับระดับตัวทั่วไปพระพุทธเจ้าจะเน้นที่ตัวกรรมแต่นั้นเองคือใล้ยๆก็บอกว่าคุณเดินไปทางนี้ก็ไม่ต้องพูดเรื่องข้างหน้าหล้วมันจะถึงอะไรเดินไปทางนี้นะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างนี้นะแล้วก็ไปถึงเองก็พยายามเดินไปก็แล้วกันนั่นคือสอนเฉพาะทางเดินที่เรียกว่ามักคือบอกทางเดินให้ไป แล้วไปถึงตรงนั้นคนนั้นจะสัมผัสโดยตัวเองเพราะว่าอธิบายยังไงเนี่ยก็สู้ไปสัมผัส้วยตัวเองไม่ได้ก็เป็นเรื่องอะไรปัจจตังวิริตะบูวินยุชินะคือวินยุชนจะรู้กันได้เฉพาะตนในกรณีนั้นๆแต่ถ้าเรากระทากรรมที่เป็นกุศลนั้นก็หวังผลที่จะเป็นความสุขความสงบในภพในชาตินั้นนั้น แต่ถ้าทำบาปทำมกุศลถึงแม้จะไปสัมผัสเข้ า, าไปเจอแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้จากนั้นจึงเน้นไว้เลยว่าให้เว้นบาปเว้นบาปหรือไม่กระทำบาปนะฮะพระพุทธเจ้าหมาถึงก็สอนว่าห้ามนะฮะบอกให้เวน้นทรงแสดงสร้างจิตสํานึกคือยอมรับบิน ญ, ญาณของมนุษย์ว่าสามารถคิดได้ พ, พิจิตพิจารณาได้เดีย๋ยวตัวอย่างอริยาสาวกในพระศาสนานี้มดเว้นจากการทําสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป เป็นผู้มีาศาสตราวุธิระวางแล้วเครื่องประหารระวางแล้วถึงความสํารวมระวางในาศาตร์ทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยคือเป็นเป็นการเล่าถึงว่าคนดีเนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยท่านจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็เลือกเราเองไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีคํามาห้ามนะพระพุทธเจ้าไม่ห้ามเลยสักคํานึ่งแม้ในสิกขาบทของพระวินัยเองก็ไม่ใช่คํามาห้ามแต่ใช้ให้เราสํานึกตัวเองเลยว่าเราเป็นคนชนิดไหน เป็นพานเป็นบัณฑิตที่เราอยากจะเป็นพานเป็นบัณฑิตเป็นพระอริยะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์บุรุษเราก็พระองค์ก็แสดงธรรมะเพื่อความเป็นเหล่านั้นเอาไว้แต่อดาถึงตกนรกเป็นต้นนี่ก็เป็นหลักอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาในแนวที่เรียกที่เราที่เราพูดกันว่าพระตถาคตเป็นผู้บอกให้เท่านั้นแต่การประพฤติปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ได้รับความสุขเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเอาเองวันนี้ก็ จบลงด้วยในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไพรูในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกการทุกท่านเธอ